สังสัทธวาระว่าด้วยวาระที่ว่าด้วยการรวมกัน35มรห้าสิบเถามำรรเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีสติวินัยก็ดีรวมกันหรือแยกกันก็แลนักปราดยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันได้หรือรำรเหล่านี้คือ สัมมุขาวิไนก็ดีอมุระหาวิไนก็ดีรวมกันหรือแยกกันก็แลนักปราดยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันได้หรือธรรมเหล่านี้คือสัมมุขาวิไนก็ดีปฏิญญาตกรรณะก็ดีรวมกันหรือแยกกันก็แลนักปราดยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันได้หรือธรรมเหล่านี้คือ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 สัมมุขาวิไนก็ดีตินวัฒาระกะก็ดีรวมกันหรือแยกกันก็แลนักปราดยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันได้หรือตอบธรรมเหล่านี้คือส ม, มุขวินัยก็ดีสติวิัยก็ดีรวมกันไม่แยกจากกันก็แลนักปราดยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันไม่ได้ ทำเหล่านี้คือส ม, มุขาวินัยก็ดีอมูระห า, หาวินัยก็ดีรวมกันไม่แยกจากกันก็แลนักปราดยักย้กายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันไม่ได้รรมเหล่านี้คือส ม, มุขาวินัยก็ดีปฏิญญาตการณะก็ดีรวมกันไม่แยกจากกันก็แลนักปราดยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันไม่ได้ ธรรมเหล่านี้คือส ม, มุขาวินัยก็ดีตัสปาปิยสิกาก็ดีรวมกันไม่แยกจากกันก็แลนักปราดยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันไม่ได้ธรรมเหล่านี้คือส ม, มุขาวินัยก็ดีตินวัฏฐากะก็ดีรวมกันไม่แยกจากกัน ก็แลนักปราดยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันไม่ได้